พวกเราใครไม่เคยฟังซีดีหลวงพ่อมีไหมที่มามีใครไม่เคยอ่านไหมไม่เคยอ่านไม่เคยฟังมีเหมือนกันเนาะหายากนะเดี๋ยวนี้หายากวันก่อนไปธรรมศาสตร์เมื่อวานังขรไอ้หอไปชุมเล็กนะคนก็เต็มถามว่าใครไม่เคยเจอหลวงพ่อไหมอุยกเกินครึ่งห้องนะ เยอะมากเลยยังไม่เคยเห็นเราหรอกไม่เคยมาที่นี่ไม่ไปสาราลุงชินบอกมีใครไม่เคยฟังซีดีไหมมีอยู่ห้าหกคนไม่เจอตัวหลวงพ่อนะฟังซีดีเรื่อยๆจิตก็ตื่นแต่ก่อนหลวงพ่อสอนใหม่ๆวิธีสอนหัดพาให้ดูสภาวะมีผู้หวังดีจํานวนมากเลยบอกว่าเถ้าหลวงพ่อตายไปแล้วใครจะสอนให้ดูสภาวะ บอกฟังซีดีไปหนาเดียวก็เห็นสภาวะเองในนี้พิสูจน์ได้แล้ะฟังเฉยๆแหละฟังไปเรื่อยๆฟังแล้วสังเกตเอาเมื่อไรเห็นสภาวะถูกต้องตรงตามความเป็นจริงในจิตจตื่นขึ้นมาเมื่อจิตตื่นขึ้นมามจะเห็นเลยว่าตัวเราไม่มีหรอกสภาวะทั้งหลายมันมีรูปธรรมก็ น, นา ม, มาทำรูปธรรมก็ไม่ใช่เรานามมารำก็ไม่ใช่เราตัวเราไม่มีเยันภาวนาไป เอาหนาเป็นนะจิตตื่นขึ้นมาเห็นว่าตัวเราไม่มีกายนี้ไม่ใช่เราจิตนี้ไม่ใช่เราไม่มีเราในกายในใจไม่มีตัวเรานอกเหนือจากกายจากใจตัวเราไม่มีได้เป็นพระโสดาบันตรงนี้แหละนี่พวกเราหลายคนภาวนานะสเปสสปะใครเขาว่าอะไรดีก็เอาตามเข้าไปเรื่อยนะเพื่อนเขาเข้าสำนักนี่เราก็เข้าเชื่อถืออาจารย์นี่เราก็ไป ไปเรียนบางทีเราไม่รู้ว่าหลักของการปฏิบัติจริงๆอยู่ที่ไหนเราก็ทําตามรูปแบบอาจารย์พาเดินเราก็เดินนะอาจารย์พานั่งเราก็นั่งอาจารย์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยพานอนอานารย์เลือกให้ยืนให้เดินให้นั่งให้กําหนดอย่างน้อนให้ภาวนาอย่างนี้บางที่เขาสอนเอานั่งไปแล้วก็หายใจไปพุทโธไปหายใจไป บางที่ก็ไม่ให้พุโทโธหายใจอย่างเดียวแล้วก็รู้ลมกระทบตั้งแต่จะงอยปากกระทบจมูกกระทบคอกระทบเพดานกระทบคอกระทบหน้าอกกระทบท้องอะไรเนียดูต้องนั่งอย่างนี้ถึงใช้ได้บางที่ก็ไปนั่งดูท้องพองยุบนะต้องดูท้องพองยุบนะอยู่อย่างอื่นไม่ได้เดินจงกรมต้องเดินท่านี้นะยกเท้าต้องสูงจากพื้นเท่านี้นี่ 1> 9ก้ต้องยาวเท่านี้กาหนดอะไรต่ออะไรขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยนะหรือถ้าขยับมือต้องขยับอย่างนี้นะถึงจะถูกต้องไม่ขยับอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องต้องอย่างนี้เรีนะยงน้นถึงจะดีอย่างนี้ถึงจะดีพวกเราเวลาไปเรียนเราก็สับสนนะว่าแบบไหนดีกว่าแบบไหนบางที่ก็สอนให้ดูเวทนานะ บางที่บอกให้ดูจิตนะเอาเข้าจริงไม่ได้ดูจิตหรอกไปเพ่งจิตไปดูจิตทําว่าสอนว่าดูจิตดูจิตเอาเข้าจริงไม่ได้ดูจิตแต่ไปเพ่งจิตบางที่สอนหนักกว่านั้นองไม่ได้ให้เพ่งจิตนะให้ไปเพ่งความว่างคิดว่าดูจิตอยู่ที่แท้ไปดูความว่างส่งจิตออกไปข้างนอกก่อนหลวงพ่อจะบวชนะหลวงพ่อตะเวนไปศึกษาตามสํานักต่างๆนี่มากมายเป็นคนชอบศึกษาเบื้องต้นเรียนจากหลวงปู่ดุลนะ ก็เรียนแล้วก็เข้าใจหรอกว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรหลังจา ก, กนั้นก็ตระเวนอยู่ในคุบาอาจารย์สายวัดป่ามีอาจารย์เป็น10บสองค์เลยประมาณ40่องค์เรียนด้วยครูบาอาจารย์วัดป่านี่ตอนจะบวชเราไม่ได้มองแค่วัดป่าแล้วก็มองไปที่สำนักต่างๆเที่ยวตระเวนไปเรียนไปดูดูไปดูไปนะก็ทําไมที่ไหนที่ไหนคนก็ติดแต่สมถะ ไม่ค่อยขึ้นวิปัสสนาเลยกระทั่งที่ที่สอนบอกว่าสอนวิปัสสนากรรมฐานเอาข้อจริงก็ทําสมถะติดสมถะโดยที่ไม่รู้ตัวว่าติดสมถะติดสมถะทั้งๆ ท, ท, ที่คีว่าทำวิปัสสนาอยู่นี่พอไปดูดูเขา้าอ๋อมันพลาดตรงไหนพลาดตรงที่ว่าจิตน่ะไม่มีความตั้งมั่นจิตไม่เคยตั้งมั่นแล้วก็ไปเน้นอยู่ที่เปลือก ไม่ได้เน้นที่คุณภาพของการรู้ชอบไปนเน้นว่าให้รู้อะไรเช่นไปรู้ลมหายใจไปรู้ท้องรู้เท้ารู้มือรู้เวทนารู้จิตชอบไปนเน้นแต่ว่าจะให้รู้อะไรไม่เคยสอนเลยว่าคุณภาพของการรู้เป็นยังไงยิ่งภาวนานะวลงไปทุ่มเทลงไปเยอะแยะเลยยิ่งภาวนายิ่งตะลนเเปิดเปิงทําเหมือนอาจารย์เปียบเลยนะแต่จิตไม่เหมือนอาจารย์ หลายที่หลายสำนักที่ไปดูๆนะกระทั่งที่ดีๆนะอย่างหลวงพ่อเตียนหลวงพ่อเตียนเป็นพระชั้นเลิศเลยหลวงพ่อเตียนขยับในหลวงพ่อเตียนตื่นเต็มที่เลยนะหลวงพ่อเตียนพระแท้ๆเลยพระลูกศิษย์ขยับนะถ้าเหมือนหลวงพ่อเตียนเปียบเลยแต่จิตไม่เหมือนอคุณภาพของการรู้ไม่เหมือนกันบางที่ก็เข้าไปนะเป็นสายอภิธรรมสายอะไรก็เข้าไปดูเขา บางที่ผู้หญิงก็สอนบางที่ผู้ชายก็สอนนะถามอาจารย์ทํำยังไงนะส่วนใหญ่อาจารย์จะรีบเลคเชอร์พวกสอนอภิธรรมชอบเลคเชอรนะ์ถ้าพวกที่มาในสายอื่นจะชอบเอาไปเดินก่อนไปไ ป, ไปนั่งก่อนไปทําอย่างนี้อย่างนี้สอนน่าทำยังไงบางแห่งก็สอนนะบอกว่าเรารู้อิริยาบทสีต้องรู้อริยบทสีนะอยืนเดินนั่งนอนให้รู้ไว้นแต่ว่า อิริยาบถสีเนี่ยรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนเป็นวิญญัติรูปอาจารย์ทางอภิธรรมไม่ใช่รูปแท้ๆเป็นวิ ญ, ญัติรูปวิญญัติรูปต้องรู้ด้วยใจนี่งั้นต้องไปตั้งไว้ที่หัวใจก่อนส่งจิตไปตั้งไว้ที่หัวใจนะแล้วก็ค่อยนึกว่าตอนนี้เหมือนมีตุ๊กตาเล็กๆอยู่ตัวมันนั่งท่าไหนมันเดินท่าไหนบอกว่าโ อ, โอ้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนสันหน่อยนะมีหน้าละอาจารย์ถึงเป็นแบบนี้ บางที่ก็ไปถึงนะเอาคุณยายคุณยายภาวนาไงคุณยายภาวนาให้ดูหน่อยสิเว้ยภาวนาให้ดูได้ไงนี่มาหัดเดินต้องเดินอย่างนี้นะยกขาอย่างนี้นะเดินอย่างนี้นะนี่เห็นไหมตัวที่เดินเป็นรูปตัวที่รู้เป็นนามนะคุณยายก็เพ่งรูปอุตรุณเลยเจอตะเวนไปเยอะเลยนะไปดูเพราะว่าปัญหาใหญ่ของผู้ปฏิบัตินั้นก็คือมีแต่เปลือก ส่งเสริมกันนะแล้วก็เรียนแบบรูปแบบของการปฏิบัติกันสติที่แท้จริงไม่มีสัมมาสมาธิที่แท้จริงไม่มีถ้าสติไม่มีนะไม่ต้องพูดเลยสมถะก็ไม่มีวิปัสสนาก็ไม่มีถ้ามีแต่สติถ้าขาดสัมมาสมาธินะก็ไม่ต้องพูดเรื่องวิปัสสนาเพราะมีแต่สมถะนที่จะขึ้นวิปัสสนาได้จริงนะจะต้องจิตจะต้องมีคุณภาพมีเครื่องมือสาคัญอยู่สองตัว ตัวที่หนึ่งคือตัวสติที่แท้จริงตัวที่สองก็คือตัวสัมมาสมาธิถ้าขาดคู่นี้แล้วไม่มีวันหรอกที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะทำวิปัสสนาจริงๆไม่ได้วิปัสสนาที่แท้จริงนะคือการที่เรามีสติรู้กายรู้ใจนะตามความเป็นจริงเนี่หลักของมันเราปฏิบัติวิปัสสนาเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจ ถ้าเราเห็นความจริงของกายของใจนะวันหนึ่งเราจะรู้เลยมันไม่ใช่ตัวเรากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้าเห็นอย่างนี้ได้เป็นพระโสดาบันเห็นไหมเป็นเรื่องการเข้าใจความจริงของกายของใจถ้าได้โสดาบันแล้วรู้แล้วตัวเราไม่มีนะกายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราดูตาพไปอีกตาไปปัญญามันแจ้งคือมงกายนี้มันทุกข์ล้วนๆจิตนี้มันทุกข์ล้วนๆเห็นเห็นกายเห็นจิตอีกแหละไม่ใช่เรื่องอื่นเลย มีแต่เรื่องรู้กายรู้จิตไม่ใช่รู้กายอย่างเดียวด้วยก็ไม่ใช่รู้จิตอย่างเดียวด้วยต้องรู้รอบพระเทเจ้าถึงบอกว่าทุกขังอริยสัจจังปรินยอย่างทุกเป็นของควรรู้รอบไม่ใช่รู้อันเดียวนะต้องรู้ทั้งหมดเลยอะไรที่เรารู้สึกเป็นเราบ้างก็มีทั้งรูปทั้งนามทั้งกายทั้งใจก็ต้องเห็นทั้งหมดเลยว่าไม่มีเราเลยในรูปนามในกายในใจไม่ใช่รู้อนเดียวหรอกไม่มีนะสายกายสายจิต เริ่มต้นอาจจะดูกายเริ่มต้นอาจจะดูจิตแต่ถ้าสติที่แท้จริงเกิดสัมราสมาธิที่แท้จริงเกิดแล้วไม่มีสายไหนสายไหนต่อไปแล้วมีแต่ว่าขณะนี้มีสติหรือขณะนี้ขาดสติขณะนี้มีสติสติบางทีก็ไประลึกรู้กายบางทีก็ระลึกรู้เวทนาบางทีก็ระลึกรู้จิตบางทีก็เห็นกระบวนการทางานของสภาวธรรมเลือกไม่ได้เลยยนะิ่ง น, น้าที่เรานะจะต้องพัฒนา สติที่แท้จริงกับพัฒนาสัมมาสมาธิขึ้นมาให้ได้ถ้าขาดเครื่องมือคู่นี้นะีไม่มีทางเลยสติเป็นตัวระลึกรู้ความมีอยู่ของกายของใจเห็นไหมวิปัสสนาะคือการเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงนะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงคือรู้ความจริงของกายของใจวิปัสสนาเป็นการตามรู้ความเป็นจริงของกายของใจไป ถ้าขาดสติเราจะรู้กายรู้ใจไม่ได้ถ้าขาดสติเมื่อไหร่จิตจะหนีไปที่อื่นส่วนใหญ่จะหนีไปคิดเวลาจิตหนีไปคิดบางทีก็รู้เรื่องที่คิดบางทีคิดอะไรก็ยังไม่รู้เรื่องเลยเรื่องราวที่คิดนี่เรื่องว่าอารมณ์บัญญั น, นไม่ใช่กายไม่ใช่ใจเป็นสิ่งที่ลอยลอยเหมือนภาพลวงตาเหมือนความฝันเหมือนพยับแดดเหมือนไอ้น้ําเปลวหมอกอะไรเนี่ยเกิดมาลวงตาเท่านั้นไม่มีจริงเรียกว่าไม่ใช่ปรมัธิธรรมะ เป็นบัญญัติเรื่องราวที่คิดไม่ใช่ของจริงเมื่อไรใจหลงไปเมื่อไรใจขาดสติไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้ส่วนมากจะหลงไปคิดแล้วทำไงจะรู้กายรู้ใจถ้ามันไม่หลงไปคิดมันก็รู้กายรู้ใจเพราะมันไม่มีที่ไปที่อื่นอกงันวิธีปฏิบัติง่ายๆนะวิธีที่จะให้เกิดสติง่ายที่สุดเลยรู้ทันจิตที่หลงไปคิดไว ถ้จิตลงไปคิดแล้วรู้จิตลงไปคิดแล้วรู้นั่แต่ไปสติจะเกิดเองตรงที่รู้ทันว่าหลงไปคิดนั่นแหละมีสติเรียบร้อยแล้วะเป็นขณะขณะขณะไปนี่สัมาสมาธิล่ะทําไงจะมีสมาสมาธิสมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตตัวนี้ต้องเรียนให้เยอะนะนักปฏิบัติทั้งหลายที่ล้มเหลวล้มลุกลุกครานเพราะไม่มีสมาสมาธิสัมมาสมาธิไม่ใช่แค่การนั่งเข้าฌาน นั่งไปเคลิมกอกแงๆไปนั่งแล้วก็สว่างขึ้นมาเห็นนนท์เห็นนี่นะเห็นผีเห็นเทวดาเห็นอดีตเห็นอนาคตเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยยกเว้นกิเลสของตัวเองไม่เห็นกายเห็นใจตัวเองไม่เห็นหรอกถ้าเห็นก็เห็นผิดปกติไปเห็นไม่เหมือนไม่ตรงความเป็นจริงเช่นเห็นร่างกายเราเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะปฏิกููอสุภะไม่มีสภาวธรรมรองรับ ต้องอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาถึงมีสภาวธทํารองรับยันไม่ใช่ไปดูเห็นร่างกายเปื่อยเน่านั่งนั่งแล้วเห็นตัวเน่าอะไรอย่างนั้นไม่ใช่วิปัสสนาตอนนี้ยังไม่ได้เน่าเอาไว้เน่าก่อนแล้วค่อยรู้รู้ตามที่มันเป็นจริงๆไม่ใช่รู้ล่วงหน้าะงั้นเราดูลงปัจจุบันไปแต่ถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นนะเราจะไม่ไม่เห็นไม่มีปัญญาที่แท้จริงขาดสตินะจะลืมกายลืมใจ ถ้ามีสติจะรู้กายรู้ใจแต่ถ้ามีสติแต่ขาดสัมมาสมาธิมันจะกลายเป็นการเพ่งกายเพ่งใจถัดมาตรงนี้เป็นกลุ่มคีย์เวิร์ดที่สำคัญทั้งหมดเลยให้พูดอีกก็คงลืมไปแล้วคือถ้าเรามีสตินะเรารู้กายรู้ใจได้ถ้าขาดสติเราไม่รู้กายรู้ใจนี่ถ้ารู้กายรู้ใจแล้วมีสัมมาสมาธิก็จะเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจได้ ถ้าขาดสัมมาสมาธิได้แต่สมถะยกตัวอย่างเราไปรู้ลมหายใจจิตเราไหลไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ลมหายใจนะจิตสงบจิตไปรวมอยู่กับลมหายใจเรียกว่าจิตสงบอยู่กับลมหายใจได้สมถะแต่ถ้าจิตตั้งมั่นจิตจะเห็นว่าร่างกายนี้หายใจอยู่จิตเป็นแค่คนดูร่างกายที่หายใจอยู่นี่ไม่ใช่เราจิตที่เป็นคนดูอยู่ก็ไม่ใช่เราเห็นหมรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตนะแต่รู้สลับกันไปเรื่อยๆ นี่เรียกว่าเดินปัญญาล้มีปัญญาปัญญาคือต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นแล้วกายมันก็ไม่ใช่เรานะไอตัวที่หายใจอยู่นี่ไม่ใช่เราไอตัวที่ไปรู้ว่าร่างกายหายใจอยู่ก็ไม่ใช่เราเรียกเฝ้าดูของจริงเรื่อยๆดังั้นภาวนานะถ้าใจเราตั้งมั่นใจเราตั้งมั่นจะเกิดปัญญาถ้าใจไม่ตั้งมั่นใจจะไหลเข้าไปเพ่งไปเพ่งไปเกาะนิ่งๆอยู่กับอารมณ์ เวลารู้ลมหายใจจิตไปอยู่ที่ลมหายใจก็เป็นสมถะได้สมถะถ้าจิตลืมกายจิตลืมใจจิตหลงไปนั่นไม่มีทั้งสมถะและวิปัสสนาถ้าสติไปจอรู้อยู่ที่ลมหายใจไม่หนีไปที่อื่นก็เป็นสมถะถ้าสติไปรู้ลมหายใจอยู่แล้วใจตั้งมั่นใจไม่ไหลไปอยู่ที่ลมใจตั้งมั่นอยู่ตั้งหาง จะเกิดปัญญาเห็นว่าร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเรานะจิตที่เป็นคนรู้ก็ไม่ใช่ตัวเราจะค่อยๆเห็นนะค่อยๆเห็นคนไหนดูท้องพองยุบก็ใช้ได้เหมือนกันหมดแหละกรรมฐานเพรานั้นเปลือกมันรูปแบบมันไม่ใช่เรื่องสําคัญใครถนัดใช้ใช้เปลือกแบบไหนก็ใช้เปลือกแบบนั้นไม่ต้องเถียงหรอกว่าเปลือกอันไหนดีกว่าอันไหนก็ไม่เห็นมันจะดีกว่าอันไหนหรอกถ้าทําถูกนะมีสติมีสัมมาสมาธิถูกมันก็ใช้ได้เหมือนกัน ถ้าทำผิดมันก็ผิดอย่างเดียวกันนะคือไปติดเพง่งนะเหมือนกันหมดเลยเพราะั้นอย่างเราดูท้องพองยุบนะีมีสติรู้ท้องพองมีสติรู้ท้องยุบได้อะไรได้สมถะจิตจะชอบไหลไปอยู่ที่ท้องเวลาดูท้องนะจิตไหลไปอยู่ที่ท้องเวลารู้ลมหายใจจิตไปอยู่ที่ลมเวลาเดินจงกลมยกเท้าย่างเท้าจิตไปอยู่ที่เท้านะเวลารู้อิริยาบทสีนะจิตไปไหลไปเพ่งร่างกายทั้งร่างกาย นี่เรียกว่าจิตไม่มีสมาสมาธิถ้าจิตมีสมาสมาธิจิตจะอยู่ต่างหากเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตยอยู่ส่วนหนึ่งมันจะแยกกันเห็นเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆอยู่ส่วนหนึ่งจิตยอยู่ส่วนหนึ่งเป็นคนดูนะเห็นสังขารที่เป็นกุศลและอกุศลเช่นความโลภความโกรธความหลงความปีติความฟุงรร้งซ่านความหดทู่อะไรต่างๆอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูอยู่อีกส่วนหนึ่ง ถ้ามีสัมมาสมาธินะจิตมันจะแยกตัวออกมาเป็นแค่คนดูถ้าขาดสัมมาสมาธินะจิตจะถล่มลงไปเพ่งในสิ่งที่สติไปรู้เข้างั้นถ้าเรามีสัมมาสมาธินะเวลาหายใจอยู่จะเห็นร่างกายมันหายใจจิตเป็นคนดูเวลาเห็นท้องฟองยุบนะก็จะเห็นเลยร่างกายมันฟองมันยุบนะจิตเป็นคนดูเวลาเดินจงกรมก็เห็นร่างกายมันเดินจิตเป็นคนดู ไม่ต้องไปคิดมากนะยกเท้าย่างเท้ากําหนดอะไรเยอะแยนะนั่นเรื่องของสมถะกรรมฐานทั้งสิ้นเลยพอนานแล้วกําหนดมากๆนี่กลายเป็นสมถะแน่นอนเลยเพราะมันผิดปกติพระพุทธเจ้าไม่เคยสั่งไม่เคยสอนนะพระพุทธเจ้าสอนง่ายๆอย่างพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ลมหายใจนะีท่านสอนง่ายๆเลยภิกษุทั้งหลายเมื่อหายใจออกยาวให้รู้หายใจออกยาวหายใจเข้ายาวให้รู้หายใจเข้ายาวสอนง่ายๆ พิสูจทั้งหลายเมื่อหายใจออกสั้นรู้วหายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้นรู้วหายใจเข้าสั้นพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อลมหายใจระงับไปรู้วลมหายใจระงับไปสอนง่ายๆทําไมเริ่มต้นยาวทําไมเริ่มต้นยาวเพราะปกตินี่แหละหายใจปกตินี่แหละเรียกว่าหายใจยาวนะหายใจไปเรื่อยๆพอจิตจะสงบนั้นมันจะหายใจตื้นขึ้นตื้นขึ้นจนหายใจอยู่ปลายจมูกนิดเดียวนั้นจิตรวมลงไปแล้วเราก็หยุดหายใจไป พระเจ้าไม่เคยสอนนะพิสูจน์ทั้งหลายเวลาหายใจนะเธอต้องรู้นะว่ามีลมกระทบจะมอยปากกระทบจมูกกระทบเพดานกระทบคอนะกระทบหน้าอกกระทบท้องเธอต้องรู้ไว้นะอย่าให้ลืมไปสักอันหนึ่งไม่เคยสอนเลยเพราะพระพุทธเจ้าสอนบอกพิสูจทั้งหลายเมื่อเดินอยู่ให้รู้ชัดว่าเดินอยู่เพราะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่าภิสูจทั้งหลายการเดินนั้นหนึ่งก้าวมีกี่จังหวะไม่เคยสอนเลยนะ พวกเราชอบเรียนเกินสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะเนี่ยไม่ใช่ชาวเถราวาที่ดีชาวเถราว่าที่ดีต้องเชื่อมติของพระมหากัสปะพระมหากัสปะจัดสังขยนานะแล้วไปชุมพระอรหันต์ห้ารอรูปเสร็จแล้วพระท่านก็ยื่นยติบอกว่าพวกเราลงมติกันนะเราจะไม่เติมสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเราจะไม่ตัดสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนแล้ว มาถึงวันนี้ดูซิเติมอะไรเข้าไปบ้างมาถึงวันนี้ดูซิตัดอะไรออกไปบ้างตัดอะไรตัดศีลสมาธิปัญญาเติมอะไรเติมอวิชชาตันหาอุ ป, ปาทานเติมลงไปเต้มไปหมดเลยนะจะเดินก็เดินไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาจะนั่งก็ไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาจะทำอะไรอะไรมันไม่เป็นคนธรรมดาไปหมดเลยเพระพุทธเจ้าสอนให้เราเข้าสู่ความเป็นธรรมดาเข้าถึงความเป็นธรรมดาธรรมะเป็นเรื่องธรรมดา เวลาเราคิดถึงการปฏิบัตินะั้นเราทําตัวผิดธรรมดาตลอดเวลาเลยหายใจก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขาหายใจต้องกําหนดต้องเยอะแยะเลยทั้งหลายจุดนละเคยหายใจสบายๆแล้วนะคราวนี้เครียดแล้วตรงนี้ลืมไปตรงนี้หลงไปอีกแล้วพยายามบังคับ บ, คบับงคับบังคับไปเลยจะเดินจงกรมใช่ไหมเคยเดินสบายๆพ่อแม่สอนให้เดินมาตั้งเด็กๆก็เดินมาได้ตั้งนานแนละ้วพอไปเข้าวัดเข้าคอร์สก็เดินไม่เหมือนมนุษย์อีกแล้วเดินย่องย่อย่างย เคยได้ยินบางคนเคยวิจารณ์ว่าเป็นกรรมฐานนกกระยางเคยเห็นนกกระยางเดินไหมยกขา <c oughs> <c oughs> ทําไมทําไมทําไมไม่เป็นมนุษย์นะเคยหายใจยังไงหายใจอย่างนั้นนะเคยเดินยังไงเดินอย่างนั้นตัวสําคัญไม่ได้อยู่ที่ว่ากระบวนท่าของการหายใจหรือกระบวนท่าของการเดินกระบวนท่าของการนั่ง ตัวสำคัญอยู่ที่ว่าในขณะนั้นมีสติกับสัมมาสมาธิไหมเห็นไหมอยู่ที่คุณภาพไม่ใช่อยู่ที่เปลือกไม่ใช่อยู่ที่รูปแบบนะรูปแบบเป็นแค่เครื่องอาศัยเท่านั้นถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์มีประโยชน์นะระดับมีประโยชน์กับระดับจําเป็นไม่เท่ากันนะสิ่งที่จําเป็นก็คือมีสติที่แท้จริงไหมมีสัมมาสมาธิที่แท้จริงไหมนี่คือของจําเป็น เสร็จแล้วใครถนัดจะรู้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ก็รู้ลมหายใจด้วยความมีสติและสัมมาสมาธิคนไหนถนัดดูท้องพองยุบนะก็ดูท้องพองยุบด้วยความมีสติและสัมมาสมาธิคนไหนชอบเดินจงกรมนะก็เดินด้วยความมีสติแล้วก็สัมมาสมาธิต้องพัฒนาสติและสัมมาสมาธิขึ้นมาให้ได้ไม่ใช่ไปเรียนว่าเดินยังไงจะถูกต้องเดินแบบที่พ่อแม่สอนมานั่นแหละถูกต้องที่สุดแล้ว ทำไมแต่ละแห่งบางทีไปเข้าคอสคนมากๆทําไมเขาให้เดินก้าวสั้นๆถ้าเดินก้าวยาวก็เหยียบกันสิใช่ไหมมันเดินพร้อมๆกันเนี่มันต้องเดินแคบๆไปน้อยๆไปเดินมากไม่ได้เดี๋ยวตีกันตายเดี๋ยวเธอเตะส้นชั้นชั้นเตะสน้นเธอเดี๋ยวก็ตีกันเราอย่าทิ้งความง่ายนะอย่าทิ้งความง่ายการปฏิบัติทำจริงๆจะต้องง่ายทำแต่ว่าทํายังไงสติที่แท้จริงจะเกิดทํายังไง สัมมาสมาธิที่แท้จริงจะเกิดอันนี้ต้องไปเรียนอีกสักภาคหนึ่งเรียนรวดเดียวคงเรียนไม่ไหวหรือไม่พวกที่มีวิทยากร น, นั้นก็ไปถามเอาเพราะฉนั้นไม่ใช่เรียนรูปแบบคนเชอบมาคิดว่าหลวงพ่อสอนดูจิตเข้าใจผิดละหลวงพ่อสอนว่าทํำยังไงสติจะเกิดทํายังไงจิตจะตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิในระหว่างที่รู้กายรู้ใจสอนตรงนี้ทั้งหากไม่ใช่สอนดูจิต บางคนคิดว่าหลวงปู่ดูลสอนดูจิตครูบาอาจารย์อื่นท่านก็สอนเหมือนกันลูกศิษ์หลวงปู่ดูลที่ดูจิตก็มีนะที่ดูกายก็มีท่านไม่ได้สอนอย่างใดอย่างหนึ่งท่านสอนตามจริตนิสัยคนคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเรียนแบบกันไม่ได้ทางใครทางมันเราต้องมีกรรมฐานที่เหมาะกับตัวเองแต่ไม่ว่าจะใช้รูปแบบอะไรที่เหมาะกับตัวเองนะหลักต้องเป็นอันเดียวกัน สติที่แท้จริงเหมือนกันสมาสมาธิที่แท้จริงเหมือนกันแล้วปัญญาที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นเหมือนเหมือนกันปัญญาที่แท้จริงเบื้องต้นก็เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่เราปัญญาที่แท้จริงเบื้องปลายเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์และสลัดคืนกายคืนใจให้โลกไปรูปแบบไม่สำคัญหรอกสำคัญที่มีสติที่แท้จริงมีสมาสมาธิที่แท้จริงขึ้นมาถ้ามีของจริงอย่างนี้นะปัญญาจะเกิด พ่สรุปให้ฟังไปแล้วนะถ้าถ้าไม่มีสติ e ắng, tha, สตก็ลืมกายลืมใจลืมกายลืมใจทำวิปัสนาไม่ได้เพราะวิปัสนาต้องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงถ้าขาด ส, uma, ส uma, ัมมาสมาธินะมีสติรู้กายรู้ใจแต่จะรู้ไม่ตรงความเป็นจริงมันจะกลายเป็นเพ่งกายเพ่งใจกายก็ Leaving, จะแข็ ง, ง, งขแข็งนิ่งๆ่งใจก็จะแข็งแข็งนิ่งๆต้องมีสัมมาสมาธิถึงจะสามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ ดังนัเราจะเรียนเพื่อพัฒนาสองตัวนี้นะตัวที่1คือสติที่แท้จริงหรือสัมมาสติตัวที่สองก็คือตัวสัมมาสมาธิเราจะเรียนสองตัวนะทำไงสติที่แท้จริงจะเกิดขึ้นมาสติที่แท้จริงเป็นยังไงทํำไงสติที่แท้จริงจะเกิดขึ้นสัมมาสมาธิเป็นยังไงทํายังไงสัมมาสมาธิที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเรียน2ตัวนี้ไม่ต้องเรียนหรอกว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เรา ไม่ต้องเรียนหรอกว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้นๆ้นะสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นเองถ้ามีสติที่แท้จริงและมีสัมมาสมาธิที่แท้จริงการเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์นั้นเรียกว่าปัญญานะปัญญาเกิดได้เพราะมีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิมันจะตั้งมั่นและเป็นกลางเนะี่เราจะเรียนกัอนว่าทำยังไงสติคืออะไรสติคือความระลึกได้ อย่าไปแปลสติว่ากําหนดนะสติไม่ได้แปลว่ากําหนดคนรุ่นหลังไปแปลสติว่ากําหนดแล้วภาวนาเพี้ยนไปหมดเลยเวลาเขียนหนังสือก็ไปเติมคําว่ากําหนดลงไปตามใจชอบอย่างทุกขังอริยสัจจังปริญญายังทุกเป็นของควรรู้รอบก็ไปแปลว่าทุกต้องกําหนดรู้เติมเอาเองไม่มีตัวไหนที่แปลว่ากําหนดเลยชอบเติมเองเติมคําว่ากําหนดลงไปเพราะมันรู้สึกว่าได้ทําอะไรสัหน่อย ตรงที่จงใจจะทํานั่นแหละโลภะเจตนาจะเกิดแล้วสติไม่เกิดหรอกเพราะฉะนั้นสติไม่ได้แปลว่ากําหนดกําหนดคือการกดเอาไว้การข่มเอาไว้กําหนดเป็นภาษาเขาเมรเป็นคําแผลงมาจากคาว่ากดข่มไว้กดไว้บังคับไว้ควบคุมไว้สติไม่ได้มีหน้าที่ควบคุมบังคับสติมีหน้าที่ะระลึกรู้เพฉะั้นทํำยังไงสติจ ะ, ะระลึกได้เช่นความโกรธเกิดขึ้นสติะระลึกได้ว่าอ๋อโกรธแล้ว ความโลภเกิดขึ้นสติะระลึกได้ว่าอ้อโลภแล้วใจลอยไปสติะระลึกได้ว่าใจลอยไปแล้วนี่ความะระลึกได้สติมันจ ะ, ะระลึกได้นะมันต้องเห็นบ่อยๆเห็นสภาวะบ่อยๆเหมือนอย่างเราเนี้ยเห็นคนเดินมาสมมติว่าเห็นชมพูมาอย่างเงี้ยชมพูมาวาัดบ่อยๆพอเห็นชมพูมานะหลวงพ่อก็นึกได้อ้อนี่ชมพูมาล้วจำได้ชมพูนะไม่ใช่สุเมศสุเมศไม่ใช่ชมพูไม่ใช่อุตสาไม่ใช่แก้ว ไม่ใช่คนโน้นคนนี้หลายคนอยากให้เอ่ยชื่อแล้วเฮ้ยจะถึงเราไหมจะเอ่ยอะไรชื่อเราไหมเนี่ยเราจะจําได้ถ้าเราเห็นบ่อยสติจะระลึกได้ว่าความโกรธเกิดขึ้นแล้วถ้าเห็นความโกรธบ่อยๆสติจะระลึกได้ว่าความโลภเกิดขึ้นแล้วถ้าเห็นความโลภบ่อยๆสติจะระลึกได้ว่าใจลอยหลงไปแล้วถ้ารู้เคยเห็นความใจลอยบ่อยๆอยู่ที่เห็นบ่อยๆ ภาษาบาลีเรียกว่ามีธิระสัญญาทิระสัญญาคือการที่จิตจําสภาวะได้แม่นจิตจะจําสภาวะได้แม่นเมื่อจิตเคยเห็นสภาวะบ่อยๆนะแม้เราจะต้องฝึกหัดดูสภาวะเห็นไหมกรรมฐานของหลวงพ่อไม่ได้เริ่มตรงที่ว่าจะเดินท่าไหนจะนั่งท่าไหนจะกินยังไงจะนอนยังไงจะกระดุกกระดิกยังไงกรรมฐานของหลวงพ่อเริ่มตรงที่ว่าหัดดูสภาวะจําไว้นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งที่สอนมาตลอดเวลาคือพาดูสภาวะ ใจลอยไปแล้วใจหลงไปแล้วเห็นไหมร่างเคลื่อนไหวแล้วนะร่างกายหยุดนิ่งร่างกายเคลื่อนไหวเวทนาเกิดขึ้นแล้วเวทนาดับไปแล้วนะโลภโกรธหลงเกิดขึ้นแล้วโลภโกรธหลงดับไปแล้วนี่ปีติสุขเกิดแล้วนี่หัดดูสภาวะไปเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ให้กันบ้านพวกเราทั้งหลายผู้ปฏิบัตินะไม่ว่าจะมาจากผาซ่อนแก้วมาจากบ้านอารีแล้วมีอะไรอีกนะครสวรรค์เออ นะไม่ว่าจะมาจากไหนรวมทั้งมาจากที่อื่นด้วยหัดดูสภาวะไปการหัดรู้สภาวะนี่แหละคือต้นทางการปฏิบัติถ้าดูสภาวะไม่เป็นนะสภาวะคืออะไรคือรูปธรรมนามธรรมาคือกายกับใจนี่แหละดูสภาวะไม่เป็นจะทํำวิปัสนาไม่ได้เพราะวิปัสนาต้องรู้สภาวะคือรู้กายรู้ใจรู้รูป ร, รู้นามนะหัดรู้หัดรู้บ่อยๆนะเช่น หายใจออกก็รู้สึกตัวหายใจเข้าก็รู้สึกตัวรู้บ่อยๆเห็นร่างกายมันหายใจรู้สึกบ่อยๆนะยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกตัวไม่ไปเพ่งนะไม่ได้เพ่งให้นิ่งยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกตัวไปต่อไปเวลาขาดสติพอร่างกายขยับนิดเดียวสติจะเกิดเองมันจ ะ, ะระลึกได้ว่าร่างกายเคลื่อนไหวหัดรู้ไปเรื่อยนะบางคนก็หัดดูเวทนาเบื้องต้นเนี่ยหัดอันใดนหนึ่งก่อนก็ได้ที่เราถนัด คนไหนถนัดที่จะรู้กายนะก็เห็นร่างกายมันทํางานไปเห็นร่างกายมันยืนเดินไปเราเป็นคนดูบางทีก็เป็นคนดูบางทีก็เผลอไปที่อื่นตรงที่เผลอไปที่อื่นเรียกว่าขาดสติตรงที่เห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนอยู่นี่เรียกว่ามีสตินะแต่เดี๋ยวต้องเรียนอีกตัวนะตัวสัมมาสมาธิเพราะมีสติแล้วชอบไปเพ่งถ้าเพ่งไม่มีสัมมาสมาธิจะไม่มีปัญญาจะได้แต่สมถะหากดูสภาวะไปเช่นใจมันโกรธขึ้นมาก็รู้ใจมันโลภขึ้นมาก็รู้ ใจมันหลงไปก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็คอยรู้ใจหดหู่ก็รู้หัดดูไปเรื่อยเบื้องต้นนะั้นเราจะเห็นว่าแต่ละวันความรู้สึกของเราไม่เหมือนกันบางวันสุขบางวันทุกข์บางวันดีบางวันร้ายนะหัดดูอย่างนี้ดูเป็นวันวันไปเลยนะเบื้องต้นง่ายที่สุดแล้ววันนี้อารมณ์แจ่มใสนะดูภาพรวมวันนี้อารมณ์ร้ายเนะนี่ยเห็นเป็นภาพรวมไปต่อไปเราดูได้ละเอียดขึ้นเราเห็นว่าในวันเดียวกันนะเช้าสายบ่ายเย็นความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตอนเช้าความรู้สึกอย่างนี้ตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นตอนค่ำตอนดึกความรู้สึกเปลี่ยนไปเรื่อยๆฝึกดูอย่างนี้จนชำนาญนะต่ไปดูเป็นขณะขณะขณะที่มองเห็นความรู้สึกเป็นอย่างนี้ขณะที่ได้กลิ่นความรู้สึกเป็นอย่างนี้ขณะที่รู้รสความรู้สึกเป็นอย่างนี้เช่นกินของอร่อยนี่ความรู้สึกชอบเกิดขึ้นกินของไม่อร่อยความรู้สึกไม่ชอบเกิดขึ้น ใจเราคิดเรานึกเราปรุงเราแต่งคิดเรื่องนี้มีความสุขคิดเรื่องนี้มีความทุกข์เนี่ยคอยรู้ทันใจนะหัดรู้อย่างนี้แหละเรียกว่าการหัดรู้สภาวะนะรู้กายร่างกายเคลื่อนไหวก็ดูมไปเห็นกายมันทํางานยืนเดินนั่งนอนไปเดี๋ยวก็เผลอถ้าเผลอเรียกขาดสติถ้ายังเห็นกายเห็นใจอยู่นะแต่ไม่ได้จงใจนะอย่าจงใจแรงถ้าจงใจแรงเป็นการเพ่ง รู้เล่นๆรู้สบายๆต้องสบายนะจําไว้นะกรรมฐานต้องสบายเพราะประโยคแรกที่หลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อนะก็คือการปฏิบัตินะไม่ยากนะยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติหรอกผู้ไม่ปฏิบัติคือผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้บังคับกฎข่มตัวเองผู้ปฏิบัติคือผู้ตามรู้กายรู้ใจหัดดูกายดูใจหัดดูสภาวะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในกายในใจคอยรู้สึกไปเรื่อยจนจิตมันจําสภาวะแม่นแล้วสติจะเกิดเอง ส่วนสัมมาสมาธิทําได้สองแบบนะหนึ่งเข้าฌานพวกเราตาตาเข้าฌานยากก็หัดวิธีที่สองนะวิธีที่สองก็คือให้รู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นแล้วจิตจะตั้งมั่นเองนะเดี๋ยวค่อยเรียนต่อนะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเชิญไปทานข้าว